ความเจริญในธรรมจะมีและท่านผู้ฟังเท่าไรแต่หลวงประวติยานกำลังนำเสนอเรื่องทุกขดสมุทัยสัจคือความจริงคือเหตุเกิดแห่งทุกข์โดยทรงเน้นไปที่เกิดและที่ตั้งอยู่ของตัณหาทั้งสามประ ก, การคือการมาตัณหาจิตที่เหนียวนึกตรึกนึกถึงสิ่งที่ตนใคร่ด้วยอำนาจของความใคร่ ก่อเกิดจิตดิ้นรนทะเยอทะยานอยากได้ครอบครองเป็นเจ้าข้าเจ้าของสิ่งเหล่านั้นและเพราะว่าตัณหาคือความต้องการจะเป็นหรือจิตดิ้นรนทะเยอทะยานอยากได้จะเป็นในฐานะต่างๆ ต, ตลอดถึงการบังเกิดในภบชาติที่ประณีตและวิประิะตัณหาก็เป็นอาการของโทสะกับโมห oh ะ วิจิตมันดิ้นหนีไม่ต้องการได้ไม่ต้องการหมีไม่ต้องการเต้นในสิ่งนั้นๆหรือฐานะนั้นๆเอซึ่งเมื่อเรามองดูแล้วก็จะเห็นว่ามันก็คือปรารถนาอย่างอื่นเหมือนกับไม่ต้องการสิ่งนี้ก็คือต้องการสิ่งอื่นไม่ต้องการไปทางนี้ก็คือต้องการไปทางอื่นไม่ต้องการเป็นอย่างนี้ก็คือต้องการเป็นอย่างอื่นพจนอาการของกิเลสเนี่ยถ้าเรามองดูให้ดี มันจะสะท้อนสภาพจิตสองด้านคือด้านรับกับด้านปฏิเสธเส้นในกรณีของกรรมตัณหาก็เป็นด้านรับหมายความว่าถ้าได้อย่างนั้นก็พอใจถ้าได้ตรงกันข้ามกับสิ่งนั้นก็ไม่พอใจเพราะว่าตัณหาก็เหมือนกันก็มีลักษณะเป็นด้านรับคือด้านคว้าเข้ามาหา ต่อการที่จะเป็นในฐานะนั้นๆถ้าเป็นก็จะพอใจถ้าไม่ได้เป็นก็จะไม่พอใจแต่บิ๊บเพราะว่าตัณหาเป็นด้านปฏิเสธซึ่งก็มหมายความว่าปรารถนาด้านตรงกันข้ามก็ยังอยู่ในแวดวงของตัณหาอยู่นั่นเองในสติมาหาสติประฐานสสตรนั้นส่งขยายพิสดาร เป็นการสอนในแนวของการเจริญสติและคือให้สติรละลุกรู้ทันต่อสภาพจิตที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามความเป็นจริงผู้ตัณหานั้นเป็นพวกที่มีโทษมันจะต้องมีความชัดเจนว่าสิ่งนี้มีโทษแล้วก็พ ย, พยายามบรนเทาลดละไป คือสติเราจริงๆต้องแหลมคมจริงๆนะคือจะรลึกได้ทันอย่างนั้นตามปกติแล้วเราก็ลึกไม่ทันหรอกมันรวดเดียวมันไปหายไปแล้วแต่เมื่อมองถึงขณะการเกิดดับเนี่ยมันเยอะเปิก็สรงเรียงลําดับมาตั้งแต่อายตนะภายในอายตนะภายนอกหกทั้งหกเนะี่ยอย่างละหกแล้วก็วิญญาณหกแล้วก็สัมผัสหก มาถึงเบทนาหกสัญญาหกก็มาถึงสัญเจตนาสัญเจตนาก็คือจิตที่เหนียวนึกตึกนึกถึงสิ่งที่เราจําไว้ด้วยอํนานาจของกามาตัญหาเพราะวะตัญหาหรือวิปปานตัญหาหมายความว่าก็นํามาเหนียวนึกตึกนึกเองสิ่งเหล่านี้มันมีข้อมูลอยู่ภายในใจเราแล้วแล้วก็เนียวนึกเพื่อ เพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นในส่วนที่เราชอบแล้วก็เดี๋ยวนึกจึกนึกมาในรูปที่ไม่ต้องการได้ไม่ต้องการมีไม่ต้องการเป็นในสิ่งที่เราไม่ชอบเพราะในสิง่งเหล่านั้นอาจจะเป็นเรื่องที่เราประสบมาแล้วในอดีตก็ได้และเรื่องคิดปรุงคิดคิดปรุงสร้างจินตนาการเราต่อไปในอนาคตก็ได้เรื่องวันเดียวนึก มาผสมโยงใยกันในขณะสัมผัสอารมณ์ในปัจจุบันก็ได้แต่เป็นาการของจิตที่มันเป็นไปเร็วที่สงชชยคำว่าลาหุโสวัตติโนขณะมันเร็ววัตติไม่แหลมคมจริงๆก็ระลึกไม่ทันน่ะคล้ายๆกับเราเรียนอนพิธรรมเนี่ยนับจิตเป็นขณะขาะขณะก็ชียจิต คือท่อเป็นบทอกขยานมาเนี่ยก็ได้แต่ว่าถ้าจะให้เราจําได้จริงๆเนี่ยเราเ ร, า ร, รู้รู้ทันจริงๆเนี่ยเราต้องฝึกสติเยอะเพรา ะ, ะธรรมะกลุ่มนี้จึงอยู่ในพวกองค์มรรคทั้งสามประการคือสมามาวายามะสมาสติแล้วก็สม า, ส, าสมาธิจะต้องทํางานเป็นนันเด่งกันเดียวกันตัวสติจะต้องเป็นตัวหลักเป็นตัวระลึก ตัวความเพียรจะเป็นตัวพลังที่ขับเคลื่อนไปและในขณะเดียวกันจิตก็ต้องนิ่งไปโดยลำดับคือเป็นสมาธิไปโดยลำดับก็ที่จริงก็เป็นอาการของสีสมาธิปัญญาในระดับของการเจริญสติคือสีเองก็จะเป็นฐานปัญญาเองก็จะเป็นเครื่องมือในการตัดสินวิจัย ที่ทรงใช้ธรรมะในตอนต้นที่ทรงแสดงในมาสติปทานสุ์ทรงแสดงธรรมะหลักอยู่สามข้อคืออาตาปีสัมปชานโนสติมาอาตาปีแปลว่าความเพียรพยายามที่เป็นไปทั้งทางกายทางจิตแล้วก็มีกำลังมากพอสามารถแผดเผาทําลายกิเลสประเภทต่างๆได้ อย่างน้อยที่สุดประเภทเกียยกล้ามแบบตรงๆอ่างหนาวนักร้อนนักขิวนักกระหายนักเย็นแล้วเช้าอยู่ปวดหัวปวดท้องไม่มีเวลารถติดอะไรแต่ไหเนี่ยมันอ่างตรงๆมากไปหน่อยแต่บางครั้งบางคราวเนี่ยมันก็อ่างจนจนจับได้ยากแต่ว่าลองดูซิว่า ไอ้คุณธรทำความดีที่ควรจะมีเนี่ยมันเสือเเเออเส่อมไปไหมหรือว่าความดีที่ยังไม่เกิดมันเกิดขึ้นได้หรือเปล่าถ้าหากว่าคุณธรทำความดีที่มีอยู่แล้วมันเสื่อมไปหรือว่าความดีที่ยังไม่เกิดเกิดไม่ได้แสดงว่าก็คงเป็นอาการของความเกียดพรานอยู่นั่นเองเพราะการนันลึกตรงนี้สติ ก, ก็ต้องแหลมตางแหลมคมมากตั้งชัดเจน จึงทรงใช้คําว่าสติมาคือหมายความว่าเราก็มีสติประคองจิตคือดูจิตระลึกรู้ดูจิตอยู่ตลอดแล้วก็วินิจฉัยตัดสินไปตามสมควรแก่นนี้ไอ้สันเจตนานะั้นไม่ได้หมายถึงดีหรือไม่ดีนะฮะคือคือเป็นสิ่งที่เราไปเนียวนึกตึกนึกข่าวไม่น่า จ, จะนึกในทางดีก็ได้ทางไม่ดีก็ได้ก็แล้วแต่อ ว, วุธทีภาวะของเราในการมองสิ่งตรง น, นั้น เพราะว่าพอมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าสิงนั้นเป็นอะไรแต่อยู่ที่เรามองอย่างไงให้เราสังเกตถึงว่าอารมณ์ก็กรรมฐ า, านทั้งหลายที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้เนี่ยคืออารมณ์เดียวกันเดียวกันนั่นเองแต่ว่าคนคนคิดไม่เหมือนกันอารมณ์บางอย่างคนบางคนคิดแล้วก็เกิดกิเลสก็ได้ เรื่องมางเรื่องเนี่ยคนไปคิดแล้วบันเทากีเลศ ก, ก็ได้เราจึงพอเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตหรือความผิดปกติของจิตที่ปรากฏออกมาเป็นรูปพฤติกรรมต่างๆของบุคคลเนี่ยจงว่าคนบางคนอาจจะมองศพเป็นสาวไปมีปัญหา จนถึงกับบางครั้งบางคราวเนี่ยเราก็รู้ข่าวถึงการจำเราสศพอะไรอะไรต่างๆเรื่องเหล่านี้ที่จริงก็ปรากฏในพระคัมภีนะฮะในพระวินัยบิดกนี่จะมีเยอะก็แสดงเห็นว่าแต่รูปอย่างนั้นนะ่ยมันที่จริงมันควรเป็นที่ตั้งของความคลายกำลังคลายความขัดเคืองคลายความรุ่มลงภายในจิตแต่สติสัมัญญะมันไม่แข็งพอไม่มีกำลังมากพอที่จะคิดมันก็ถูกราคะ ตันหาครอบงำจิตก็ทำให้มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนออกไปและการเหล่านี้ถ้าพูดถึงอาการทางแพทย์เนี่ยเขาเรียกว่าพวกโปร ก, กรมวิถีฐานนะคือจิตเป็นผิดปกติออกมากเกินไปแลวควบคุมตัวเองไม่ได้จะในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีตัวอย่างเรื่องราวบุคคลเป็นอันมาก ในสมัยพุทธกาลหรือแม้แต่ในสมัยปัจจุบันเพียงแต่ว่าไม่นำมาพูดกันท่านั้นเองคือบางท่านสามารถจะมองภาพที่ชาวโลกเขากำหนดว่าสวยงามน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจเป็นที่ต้องการปรารถนาของบุคคลทั้งหลายแต่ท่านมองเห็นเป็นความปฏิกูลน่าเกลียดแล้วก็เกิดเบื่อหน่ายคลายกันับจนบรรลุมักผนไปได้ในตักา ธรบทท่นเล่าถึงรัเทรารูปหนึ่งชื่อประสุนทรสมุตรก็ท่านเป็นลูกเศรษฐีที่มีทรัพ์สมบัติมากเกิดศรัทธาเลื่อมใสในพัทธศาสนาต้องการจะบวชพ่อแม่ก็ไม่ยอมให้บวชทั้งก็ประท้งวงโดยการอดอาหารเพื่อนๆก็กลัวว่าสุนทรสมุตรจะตายซะก่อนออนวอนคุณพ่อแม่เขาบอกว่าอนุญาตให้เขาบวชก่อนเถอะ แล้วันหลังเนี่ยก็ไปเจอความยุ่งยากลำบากในการปฏิบัติพรทมิจรันก็จะสึกมาเอกถ้าไม่สึกมันก็ต้องหาวิธีเอาแต่ตอนนี้อย่าไปขัดขืนอะไรถ้าเขาตายมันก็เป็นการสูญเสียอย่างน่าเสียดายในสุดก็ปล่อยให้บวชแต่แม่ก็ไม่ยอมนะฮะคือไปจ้างผู้หญิงสวยๆติดตามล่อลวงด้วยวิธีการต่างๆยุ่ยวยวน ก็บอกว่าใครสามารถทำประสบความสำเร็จคือดึงลูกชายศึกออกมาได้เนี่ยแกจะตกแต่งให้เป็นสะพายของสกุลแล้วก็มีฐานะมัง่งคั่งร่ำรวยก็มีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งว่ากันว่าเป็นรูปมีรูปร่างสวยงามมากก็มีวิธีการฉลาดคือไปตีเสนิดแบบทายิกาที่มีศรัทธาในพระศาสนา ไม่แสดงรูปยั่วยวนในลักษณะที่ต้องตรงนะแต่ว่าแสดงถึงความเคารพนับถือศรัทธาต่อพระสุนทรสมุทรจนท่านวางใจเนะมื่ก็อยู่ไกลบ้านไกลเมืองออกไปการบินทบานก็ลำบากผู้หญิงคนนี้จนถึงจุดหนึ่งพอคุ้นเคยระสมควรก็นิมนต์มารับอาหารประจำแล้วก็ถวายพระตาหารในฉันที่บ้านนั่นแหละ แล้วก็สร้างสถานการณ์ให้ท่านต้องเปลี่ยนที่ฉันขึ้นไปเรื่อยๆจนไปอยู่บนปรสาสัทชั้นที่เจ็ดก็เธอไม่ทำอะไร้วแต่ว่าแสดงอาการด้วยยวนด้วยม า, ามารยาของผู้หญิงอาจาก็บันทึกไว้นะฮะถึงสี่สิบแปดลักษณะด้วยกันพระเทราก็เห็นท่าไม่ดีแต่ว่าใสาที่สถัทธาท่านหนักแน่นมั่นคงอยู่ ท่าก็เริ่มมองตามหลักที่พระเจ้าทรงสั่งสอนแลวเกิดเป็นเห็นถึงความปฏิกูจะยั่วยวนยังไงก็ตามนะฮะท่านมองผ่านสิ่งนั้นไปจนถึงจุดหนึ่งผู้หญิงก็แสดงยั่วยวนเต็มที่แต่จะไม่ได้ปลุกปล้๊งอะไรนะกะหมายความก็ยั่วยวนเฉยๆพระเจ้าทรงรู้ด้วยพยานก็รับสั่งแก่พระอานนท์ว่าสุนทรสมุดกำลังทาสงครามใหญ่ ระนนท่านเข้าใจนะครับก็กราบทูลถามว่าใครจะชนะปู่เจ้ารับสังว่าสุนทรสมุติจะชนะและในสู่ก็ท่านคิดจะหาโดยก็เรียกว่ากายกตาสตินะครับคือสติที่เป็นไปในกายแล้วก็มองเห็นความปฏิกูลน่าเกลียดของสังขารร่างกายทั้งหลายจเจริญมิปัสสนาบรุ่มากผลเป็นพระหรันแล้วก็เลื่อยลอยมาจาก หน้าต่างทั้งช่องหน้าต่างมาเฝ้าพระพุทธเจ้าที่ไประเทศตะวันนี่คือแสดงให้เห็นว่าปัญหาสําคัญมันอยู่ที่การมองแต่แนวสัญเจตนาเนี่ยมอนอยู่ที่การเหนียวนึกเอาแล้วก็นํามาปรุงคิดคิดปรุงเอาเรื่องนั้นเราอาจจะเคยมองสวยงามมาก่อนก็ได้แต่เราคิดใหม่มีหลักความคิดมีโยนิโสมนสิการในการคิดเพิ่มขึ้นเนี่ย กอาจจะเห็นเป็นความปฏิกูลน่าเกลียดไม่สวยไปงามได้แในขณะเดีวยวกันถ้ า, าว่าพื้นฐานวุฒิภาวะในด้านจิตใจไม่เข้มแข็งพอมันก็อาจจะไปปรุงคิดคิดปรุงจนสิ่งนั้นสวยงามแล้วกลายเป็นความเสน่หาเป็นอาลัยเป็นเรื่อยใหญ่จิตใจก็ไม่สงบกาได้ ตัวอย่างของบุคคลในสมัยพุทธกาลนี้มีทั้งนั้นเนี่ยแนวแนวที่สมแสดงไว้บางทีเป็นราชจจกุมาริชวีทิ้งสละดทรัพย์สมบัติออกมาบวชแล้วก็อยู่ในป่าจเจริญกรรมฐานอยู่ในป่าทนหนาวทนร้อนกันอยู่ในป่าเนี่ยเื่อได้ยินเสียงการเฉลิมฉลองไปในบ้านเมืองจิตใจท่านก็ย้อนก็สู่อดีต แล้วก็ปรุงแต่งไปด้วยอารมณ์ต่างๆกอจิตใจก็ถูกโยกไปเยอะแต่ในที่สุดก็ได้สติมาเตือนจิตตัวเองแล้วก็เอาชนะใจตัวเองได้ประการสำคัญตรงนี้ก็อยู่ที่ว่าตัวสันเจตนานคือความจงใจคิดเหนียวนึกเมือคิดเนี่ยในง่ความจริงแล้วมันเป็นอาหารอย่างหนึ่ง ก็เรียกว่ามโนสันเจตนาอาหารเป็นอาหารทางใจนะฮะที่ให้ความสุขใจมันเทิงใจแช่มชื่นเบิกบานก็นแล้วแต่จะคิดเอาคือจะคิดแต่มันเกิดปีติประโมทเป็นธรรมะขึ้นมาก็ได้เกิดได้กิเลสตัณหาราคาก็ได้มันก็สำคัญว่าเราคิดยังไงที่นี่จากหยุดของ สัญเจตนาเนี่ยก็จะทรงแสดงไปทุกตอนคือผ่านกระบวนการของอายตนะภายในอายตนะภายนอกเช่นทรงแสดงในข้อของของกลิ่นนะฮะของกลิ่นที่หอมหวานที่ใจไปกําหนดว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจก็รับสั่งว่าความคิดถึงกลิ่น เป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัญหานั้นเมื่อจะเกิดขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้นที่ความคิดถึงกลิ่นนั้นเมื่อจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ที่ความคิดถึงกลิ่นนั้นความคิดถึงรสเป็นต้นก็มีลักษณะอย่างเดียวกันก็คิดมาเรื่อยนะฮะหมายความว่าอายตนะภายในคือตาหูจงเล่นกายใจใคิดถึงอายตนะภายนอกโดยเฉพาะยิ่งคือนใจตรงนี้เป็นเรื่องใจโดยเฉพาะแต่นั้นจากจุดนี้เราจะเห็นว่า งานหลักของใจก็คือการรับอารมณ์ที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสก็กลายเป็นอายตนาภายในที่รับรู้อายตนาภายนอกเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์แล้วก็ทำอารมณ์เดี๋ยวกลายเป็นวิญญาณกลายเป็นสัมผัสกลายเป็นเวทนาจนถึงมาเป็นพวกสัญญาสัญจิตนาแลสรุปว่าเป็นเรื่องข้างนอกแค่นั้นเนี่ยเป็นเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณธ์ทำารมณ์กันหนึ่ง ที่นี้ในการต่อไปเนี่ยมันก็เกิดซ้ําซ้อนในตัวตัณหานั่นเองเพราะนี่เรามีทักษะกาะสังเกตได้นะเช่นสมมติว่าเรากินอาหารเนี่ยเราติดใจในรสอาหารต่างนแต่กินไปแล้วจริงๆมันก็ผ่านไปแล้วต่อมาไม่กี่วันก็เกิดอยากรับประทานอาหารนั่นเีงทีนี้เ่ในกระบวนการตรงนี้เราจะเห็นว่ามันมีเวทนามันมีผัสสะมันมีเวทนามันมีตัณหามันมีอุปาทานมันก็ยึด ยึดจนบางคนเนี่ยถ้าขาดอาหารเทนิดนั้นเนี่ยกินข้าวไม่ได้มันก็กลายเป็นอาหารเดี่ยวกินทุกมื้อตลอดไปแต่ถามมาจากอะไรที่จริงมันมันมันมันเป็นกระบวนการของอายตนาภัษาเวทนาแล้วก็ตันหาอุปาทานเดยไปยึดติดขึ้นมาที่ท่านเล่าไว้ในอัตกถาธรรมบทถึงคนคนหนึ่งชื่อไหนโค ข, ขาดไม่ใช่ชื่อจริงกันนะฮะโคขาดก็แปลว่าผู้ฆ่าโค คือแก่ข้าโคแล้วก็ติดในรสชาติของเนื้อโครับประาทานในมือ้อใดก็ตามถ้าขาดเนื้อโคแล้วนี่ก็จะไม่กินนะก้อนพัญญาก็ต้องปรุงอาหารที่เป็นเนื้อโคให้กินทุกวันต่อมาวันหนึ่งเนื้อที่เก็บเอาไว้เนี่เพื่อนมาขอซื้อไปเพราะว่ามีแขกที่บ้านก็ทําให้พัญยาไม่สามารถจะปรุงอาหารที่เป็นเนื้อโคได้เพราะว่าเนื้อมันหมดคือขายหมดพอนั่งเริ่มไรับ จะรับประทานอาหารเขาเห็นว่าไม่มีเนื้อเนื้อโคก็สอบถามพัญญาก็ล่าครักก็ไม่ถึงกระโดดพัญญ่าแล้วแต่ว่าก็แสดงอาการที่หันหรือโหดมากแกก็ถือมีดเข้าไปที่หลังบ้านน่ะไปฆ่าไปในคอโคไปดึงลิ้นโคออกมาแล้วก็ตัดมาถึงก็โยนให้ปัญญาให้ไปปรุงอาหารที่เป็นเนื้อโคโอเคเอาลิ้น โคที่ปรุงเสร็จแล้วมาวางบริ้นแก่เนี่ยลิ้นแก่ก็ขาดเป็นวิบากกรรมที่ชัดเจนแล้วก็รว ด, รวดเร็รวรุนแรงมากแต่อย่าลืมมะหาะี่จริงมัากรรมสะสมเพราะแกทำอย่างนี้มานานร้องโหยหวนมึงก็โคถูกเชื่ออยู่ทั้งเจ็ดวันเสียงบางขณะได้ยินเข้ามาถึงวัดพระเจตะวันที่พระเจ้าประทับอยู่แล้วก็แสดงให้เห็นถึงว่า ตัณหามันซ้ำซากอยู่ที่รสัตวะตัณหาคือตัณหาในรสเนี่ยในรสต้องเป็นเนื้อโคต้องปรุงด้วยโคในแง่ของความเป็นจริงถ้าเราใช้เหตุผลแค่สติปัญญาเราก็จะเห็นว่ามันไม่มีความจะเป็นอะไรเลยอาหารเนี่ยมันเป็นยาปนามตตังคืออย่างอนะัภาะไปเป็นไปได้ดนต่นะเนี่อะไรก็ได้ก็สมเหตุประโยชน์ด้วยกัน เพราะถ้าเรามองลึกซึ้งลงไปสมมติว่าคนเนี้ยต้องกินอาหารด้วยเนื้อสัตว์ถ้าไม่กินอาหารด้วยเนื้อสัตว์เนี่ยจะอยู่ไม่ได้ไม่อยู่ทองไม่อยู่ทรายอะไรเข้าไปแล้วคนอื่นละ่ะคนนี้ไปกินเนื้อสัตว์ทําไมเขาอยู่ได้ละ่ะในกาแสดงให้เห็นในกระบวนการของอยายตนะผัสสะเวทนาตันหาอุปาทานแล้วกลายเป็นพบขึ้นภายในจิตคือรู้สึกว่าต้องได้ต้องมีต้องเป็นอย่างนั้นอย่างเนี้เพริะนีมาเกิดชั่มซากขึ้นในตัวตันหา ตัณหาในอะไรล่ะลก็ตัณหาในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเย็นร้อนนอนแข็งแล้วก็ในอารมณ์นั่นเองมันเกิดซ่อนขึ้นมาในตรงนั้นตัวอย่างที่เราติดกระวนกรติดทั้งหลายเนี่ยเห็นชัดเจนครัหรือแม้แต่การดูการเล่นการติดละเมงละครการดูไอข้ข่าวคราวต่างๆนี่มันติดอ่ะคล้ายๆวันไหนที่ไม่ได้ดูละครเรื่องนั้นแล้วมันนอนไม่ค่อยหลับตอนองเนี้ย เราก็กลายเป็นเรื่องต้องตัหาซนซ้ำซ้ำากอยู่ในเรื่องเดียวกันจากนั้นก็ส่งสอได้ดูว่าตรเนี้ถ้าเราไม่ไปไปให้ความสำคัญมันคือสักแต่ว่ารสสักแต่ว่ารูปสักแต่ว่าเสียงสักแต่ว่ากลิ่นสักแต่ว่ารสสักแต่ว่าสัมผัสสักแต่ว่าอารมณ์ ก็ไม่ปรุงคิดคิดปรุงไม่เกิดความยินดียินร้ายอะไรมากเกินไปเนี่ยตัณหามันแม้จะเกิดเนี่ยก็สามารถบรรเทาได้ยับยั้งได้อสําเร็จประโยชน์ได้อย่างเนี้ยอย่างการฝึกตัวเองสมมติว่าเราประทานอาหารในแต่ละมื้อเนี่ยอาหารก็ไม่เหมือนกันอเราทำยังไงว่าอยู่ให้ได้เดืออาหารอย่างงั้นเนี่ยดีบ้างไม่ดีบ้างอย่างการฝึกปือพระภิกษุของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนเนี่ย เระเจ็นว่าก็ทรงสอนเพื่อไม่ให้เกิดตัณหาทั้งซากคือไม่ได้ให้บริโภคปัจจัยสีด้วยอำนาจของตัณหาแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็ต้องต้องบริโภคปัจจัยสีนั่นแหละแต่ว่าทํายังไงอย่าให้เป็นธาตของตัณหามากเกินไปเพราะว่าถ้าไปอย่างนั้นเราก็ลําบากเพราะว่าชีวิตของเรามันแขวนอยู่กับ ศรัทธาของชาวบ้านหรือแม้แต่ชาวบ้านเองนะฮะมันก็มีปัญหาในด้านเศรษฐกิจด้านการเงินการทองที่จะซื้อหามาตอบสนองความต้องการของตนเสมอไปนี่มันไม่ใช่เรื่องทำแด่งานคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ค่อยดีบางทีอาจจะอยากกินอะไรอยู่ตั้งหลายหปีนะยังไม่กินเพราะอะไรเพราะอำนาจในการซื้อนี่มีไม่พอ ถ้าเรารู้โทษของตัณหาหรือไม่ถึงกัลละตัณหาไปหมดนะฮะแต่ไม่เอามาปรุงคิดคิ ด, คดปรุงมากเกินไปสัมผัสกับอารมณ์ทั้งหลายที่เราสัมผัสเองก็ถือว่าสมเอตประโยชน์ก็ใช่ได้รูปจะสวยไม่สวยเสียงจะไพเราะไม่ไพเราะกลิ่นจะหอมไม่หอมรสอร่อยจะหรือไม่อร่อย สัมผัสน่าจะต้องหรือไม่น่าจะต้องอารมณ์น่านึกเรียมนึกสึ ก, น, กนึกหรือไม่เนี่ยพอสมวยประโยชน์ก็ถือว่าใช้ได้แต่แน่นอนการปฏิบัติอย่างนี้จะเห็นอย่างนี้เนี่ยพลังของสติสมัมมจัญญะความเพียรเนี่ยจะต้องมีมากพอทำมาอย่างนั้นก็ถูกนามันเสือ่อมสายผักส ย, ยุนสูญเสียการทรงตัว อย่างที่เรามีข่าวคราวให้ได้พบได้เห็นว่าบางเรื่องเนี่ยคนไม่น่าหรอกสละชีวิตของตัวเองเพียงเพื่อได้ครอบครองสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งราคาค่างวดก็ไม่ได้มากกัไเลแต่ก็เสี่ยงภัยเสี่ยงชีวิตเพื่อครอบครองสิ่งเหล่านั้นนั้นก็แสดงให้เห็นว่าตำนามันเกิดขึ้นซ้ำซากในจุดเดียวกันถึงจุดหนึ่งก็ไปควบคุมไว้ไม่ได้ต้องฟังทลาย แต่มพูดที่ญาณในวันนี้ขอยุติไว้ได้วยเวลาเพียงตรานี้ที่สุดนี้ขอความเจริญก็ ง, งามไปบุญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี